พระธรรมเทศนาอผนที่78ลำดับที่2โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำร้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่13เมษายน2558มีชื่อเรื่องว่าพรปีใหม่ไทย พระสงฆ์วันนี้ทั้งหมดมี43รูปที่วัดของเราแล้วก็เมื่อเราได้ตักทำบุญตักบาตรจัดพระสงฆ์ได้จัดอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้พระเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุเสียงธรรมที่วัดของเราวัดคอรมีสถานีวิทยุ เสียงธรรมเพื่อประชาชนร้อยเจ็ดจุดสองห้าเมกะเฮิร์ตเพราะฉะนั้นวันนี้จะทดลองออกอากาศในท้องถิ่นของพวกเราคือนายูงน้ำโสมและกรสุรวงวคูหาบางส่วนแล้วก็สังคมบ้านผือเป็นบางส่วนไม่ใช่ไม่ทั่วถึงนะก็ประมาณสามสีอำเภอ ที่พวกเราจะออกสถานีวิทยุในวันนี้เพราะนั้นวันนี้พวกเราตั้งแต่เริ่มไหว้พระผู้นำหมวดติดเป็นผู้นำไหว้พระแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนสมาทานศีลเพราะว่าเป็นปีใหม่ควรจะตั้งต้นให้ดีปีใหม่ไม่ควรจะเอาความชั่วใส่ตัวเอง ความชั่วนั่นคืออะไรพวกเราคงจะนิสิตทบทวนดูเนี่ยแต่ในหลักของพระพุทธศาสน า, าแล้วพระพุทธเจ้าถือว่าความดีก็คือศีลห้าเพราะฉนั้นพวกเราควรจะเอาศีลห้าเข้าสู่กายวาจาเอาธรรมะเข้าสู่ใจของเราจึงจะถูกเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นวันปีใหม่ พวกเราควรจะต้องตั้งต้นใหม่สิ่งใดที่มันไม่ดีปีที่แล้วเป็นบทเรียนเราจะไม่ทําในบทเรียนที่มันไม่ดีนั้นแต่บทเรียนไหนที่ดีเราก็พยายามต่อเติมให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นปี 2,500 58ปปีใหม่ไทยของเราเนี่ยพวกเราลูกหลานทุกคนควรจะตั้งต้น ให้ดีคิดดีทำดีพูดดีไปตลอดนะเอาตอนนี้ไปผู้หมวดจะเป็นผู้พานำสมาทานศีลไหวพระยอด้าก่อนนะิมินาสกาเลนะติยันติตัตมาสีหลังวิโสธาเยสาธุ เอาต่อนี้ไปตั้งใจฟังลูกหลานคณะตถาญาติโยมหลวงพ่อจะได้กล่าวสมโมธนิยกถาปารบวันสงกรานวันปีใหม่ไทยปีพุทธศักราช2558วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเร า, เาได้มีสุขภาพร่างกายจิตใจพร้อม เราก็ได้มาสู่วัดวาศาสนามาทำบุญตักบาทพระสงฆ์แล้วก็ได้มาทำบุญอุทิศสวนกุศลต่อบรรพชนพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศานายาิญาติมิตรสหายทั้งหลายเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสำหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านปีใหม่เปว่าตั้งต้นใหม่ในชีวิตปีหนึ่งเพราะนั้นพวกเรา ความที่ไม่ดีที่ผ่านมามีอะไรบ้างพวกเราไม่มีใครไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองตัวของเราเองปีที่ผ่านมาเราทําอะไรลงไปบ้างคิดอะไรบ้างที่มันไม่ดีทําอะไรลงไปบ้างที่มันไม่ดีโพดอะไรออกไปที่มันไม่ดีคําว่ามันไม่ดีนั่นอนะกรรมที่ไม่ดีจะตามให้ผล เ, เมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเรา มาถึงปีนี้วันนี้พวกเราให้นึกย้อนดูว่าปีที่ผ่านมาพวกเราคิดอะไรบ้างทำอะไรบ้างพูดอะไรบ้างที่มันไม่ดีไม่เหมาะไม่สมไม่ควรปี2558ันห้ร้าข้าพเจ้าจะต้องตั้งต้นใหม่เพราะชีวิตของเราชีวิตของข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้แล้วแล้วก็มไม่มีวันที่จะถอยหลังผู้ที่มีอายุมาก ก็ควรจะตั้งตนตั้งตนให้ดีในระดับหนึ่งแต่พวกคณะลูกหลานน้อยหนุ่มยังมีชีวิตที่จะก้าวหน้าเราก็ต้องมองในการเป็นอยู่ของพวกเราทั้งชีวิตของเราด้วยทั้งการงานของเราด้วยทั้งความประพฤติของเราด้วยทั้งกายการเป็นอยู่ทั้งใจของเราด้วย เ, เราจะดาเนินชีวิตอย่างไร สำหรับผู้สูงอายุเมื่อเราผ่านมาแล้วการงานของเราผ่านมาแล้ว เ, เก็บหอมรอมริบมาแล้วมาถึงจุดนี้พวกเราจะเอาจะใช้ชีวิตยังไงบั่นปรายของชีวิตของพวกเราจึงจะถูกอันนี้ก็ให้พวกเราใช้สติใช้ปัญญาทบทวนดูไม่ใช่ว่าผ่านไปผ่านไปเป็นปีปีเดืนดนเอนเือนเป็นวั น, ว, นวันไปไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ ควรจะดูว่าในตัวของเราเนี่ยขาดเหลือขาดตกอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่จะต้องให้เพิ่มเติมเพียงพอหรื อ, อยังบุญกุศลที่เราจะต้องนำเข้ามาสู่จิตใจของเรามีมากน้อยแค่ไหนที่เราจะเก็บหอมลอมริบต่อไปภายภาคหน้าพอในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดำเนินพาดําเนินมาทุกททองค์ที่ท่านปฏิบัติดูป่าโรงพงภัยที่ท่านปฏิบัติจิตตะภาวนาท่านยืนยันร้อยทางร้อยบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนี่แหละคํานี้แหละให้พวกพวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไวออ้จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ทุกองพงหลวงพ่อพูดอย่างนั้นได้ ที่หลวงพ่อเข้าไปสัมผัสแช่เข้าไปศึกษาที่เป็นแนวแถวของสายหลวงปู่มั่นที่ท่านพิสูจน์เรื่องนี้แหละเรื่องตายและเกิดและตายและสูตท่านยืนยันยืนยัดร้อยเปอร์เซนต์ว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแน่แต่ร่างกายตายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่นามธรรมคือจิตใจนั่นน่ะตัวนั้นหลงดวงนั้นล่ะจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายในฐานะลูกหลานมาได้มา พกมาเจ อ, เ อ, อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจอหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราศึกษานะแล้วศึกษาให้ลงมือปฏิบัติ ด, ด้วยจึงจะเห็นเพราะหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้เห็นได้ถ้ามีแต่ขาดการ์ะเนรเรียนศึกษาอย่างเดียวไม่เพียงพอต้องปฏิบัติจึงจะรู้ได้เพราะฉะนั้นให้พวกเราเมื่อเรียนศึกษาแล้วก็ให้ ลงมือประพฤติปฏิบัตินี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแหละสาหรับพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาถึงวันนี้อย่างลหลวงพ่อได้กล่าวย้ําเตือนว่าพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทมาถึงวันนี้ปีใหมให่พวกเราตั้งต้นใหม่คิดคิดไปในทางที่ดีทําไปในทางที่ดีพูดในทางที่ดีแต่เมื่อเรา คิดชั่วทาชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลนั่นแหละเดือดร้อนไม่ใช่ใครอื่นหรอกไม่ใช่ใครอื่นเดือดร้อนตัวของเรานั่นแหละจะเดือดร้อนออความเดือดร้อนจะตามมาเมื่อความเดือดร้อนตามมาแล้วไม่เป็นผลดีทุกนะเกิดมาทั้งทีชีวิตไม่น่าจะรับอย่างนั้นไม่น่าจะทำอย่างนั้นไม่น่าจะได้รับผลกรรมผลกรรมคือการกระทำอย่างนั้นแต่ยังไงเพราะ เราขาดการยังคิดขาดการไข่ควรทบทวนเพราะฉะนั้นเราจึงมันจึงมีเรื่องเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนากิดติดตามเรามาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราทุกท่านที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนาหลวงพ่อในสมณะในนามของสมณะพราหมณ์คือพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนา เห็นคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานเข้ามาสู่วัดวาศานาก็ไม่มีอะไรที่จะดิ้งดียิ่งกว่าการแนะนำบอกกล่าวเรื่องคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมให้กับลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาเพราะว่าสมณะพรามในหลักของพระพุทธศาสนาทันวัตทิศทั้งหกทิศท้งหกก็คื อ, อคนโบราณเขาก็ ทิศทั้งหพวกเราก็พอจะรู้ว่าทิศทั้งสี่นั่นคืออะไรตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้อันนี้ทิศทั้ง4ี่แต่ทิศทั้ง6คนโบราณเขาก็คิดว่าทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องสูงทิศเบื้องล่างหพอดีข้อหกเขาก็ถืออย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ อันนั้นมาทิศเบื้องนอกมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะทิศทั้งนอกมีแต่เรารู้เท่านั้นเราจะเดินไปทางทิศไหนเพียงเท่านั่นเองเออแต่จะให้ดีจะให้ทําให้เราดีเราชั่วเราจเจริญรุ่งเรืองไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ทิศที่จะทําให้เราได้ประโยชน์เสียประโยชน์เป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษเออนั้นคือทิศทั้งหอีกแนวหนึ่งเพระพุทธเจ้าจันวรทิศ ทั้งหกทิศในหลักของพระพุทธศาสนาเนะี่ยเทศทั้งหกนั่นคือทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาคือเราเกิดพวกเราเกิดมาแล้วก็เจอพ่อเจอแม่เจอหน้าพ่อหน้าแม่มองต่อหน้าเนะีนะ่ยบอกศเบื้องหน้ามารดาบิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์ ทิศเบื้องต่ําลูกน้องบริวาร น, นี่แหละให้พวกเราทําให้ถูกในทิศทั้งหทิศทั้งหถ้าเมื่อเราทําถูกต้องต่อทิศทั้งหแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวแต่เท่าท่าเราทําไม่ถูกต่อทิศทั้งหเป็นหนทางแห่งความชิบหายได้ง่า ย, ายเพราะเหตุไรเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ไม่ให้ความเคารพพ่อแม่ไม่ดูแลพ่อแม่เหยียดหยามพ่อแม่พ่อแม่ก็ดู เออไม่เออตัดลูกตัดญาตขาดมิตตัดลูกเอออย่าเข้ากาอย่าเข้ามาใกล้ไอ้นี่อีนี่อย่างนี้เป็นต้นนะเออพวกเราอยู่หวังอย่าหวังเลยที่ความเจริญจะรุ่งเรืองมีแต่ความทุกข์ระทมในจิตในใจเพราะเหตุไรเพราะเราทำไม่ถูกต้องเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกาละเทศเออการวางตัวกับพ่อแม่อันนี้เลยว่าปฏิบัติตนให้ถูกต้อง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 เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบจะตอบอยังไงตอบบุญคุณของท่านท่านเป็นบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะ ก, รกร่อนพวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องได้คิดนะอันนี้คือทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาสามีภรรยาเมื่อมาอยู่ด้วยกันแต่งาน จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่ตกต้องตามกฎหมายก็ตามแต่ผู้เท่าผู้แก่ทั้งหลายคล้ายๆกับว่าเป็นสักขีพยานอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นถูกต้องปฏิบัติตนให้ถูกต้อง อ, อย่าล่วงเกินอย่าออกนอกลูก่นอกทางสามีก็ให้อยู่ในกรอบภรรยาก็อยู่ในกรอบของศีลธรรม ครอบครัวนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าสามีก็ดีออกนอกรูนอกทางภรรยาออกนอกรูนอกทางอย่าหวังเลยครอบครัวนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความแตกแยกแตกไล่แหงผลนสุดก็เป็นไปไม่ได้ไปคนละทิศทางกันหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ทกใจเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนให้ถูกต้องให้อยู่ด้วยศิลด้วยธรรม สามีภรรยาคือทิศเบื้องหลังทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกเราเกิดมาต้องมีครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนตั้งแต่ครูบาอาจารย์ตั้งแต่พ่อแม่พ่อแม่เป็นบุพกาจาร์เป็นอาจารย์คนแรกของบุร ธ, ธิดาพอเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ต้องสอนบุทซะก่อนกินอย่างนี้นอนอย่างนี้ อ, อ, อาบน้ำอย่างนี้ เ, เรียกพี่ป้านะ้าอาอย่างนี้พ่อแม่ต้องสอนก่อนจากนั้นพ่อแม่สอนแล้วก็ส่งเข้าโรงเรียน อนุบาลปฐมมัธยมจนถึงปริญญาตรีโทเอกต้องมีครูทั้งนั้นเราจะเรียนวิชาอะไรในโลกนีอันนี้ก็คือครูบาอาจารย์ทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เราต้องพวกเราต้องให้ความเคารพในครูบาอาจารย์ลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังและอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยาจากครูบาอาจารย์อันนี้ก็คือทิศเบื้องขวาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหาย คนเราต้องมีหมูมีเพื่อนเกิดมาแล้วการจะทำกิจการงานอันไหนก็ตามต้องมีมิตรสหายมีกัญยาณมิตรถ้าปลาประมิตรไม่ดีปลาไปมิตรเปล่าวามิตรชั่วชักชวนไปในทางที่ชั่วอันนปาประมิตรถ้ากรัญรยาณมิตรมิตรที่ดีต้องอแนะนำชักชวนไปในทางที่ดีเกื้อกูลหนุนกันในเมื่อมิตรสหายากิจการงาน ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอมิตรก็ต้องเข้าไปช่วยพยุงมีอะไรเกิดขึ้นเจ็บไข้ได้ป่วยมิตรสหายกันยาณมิตรต้องเข้าไปช่วยกันดูแลเกื้อกูลหนุนกันอันนี้เราวากันยาณมิตรถ้าปาปะมิตรแล้วก็มีแต่จิตจะเหยียบย่ําทําลายกันแต่โตหน้าเขดีในเมื่อหมู่เพืกเพื่อนมีปัญหาแล้วก็มีแต่จะเหยียบย่ําทําลายอันนั้นเป็ว่าปาปะมิตรคบไม่ได้ ถ้ากัลยาณมิตรแล้วเป็นมิตรที่ดีคนเราต้องมีมิตรที่ดีการจะทํามาค้าขายกิจการงานอันไหนก็ตามถ้ามีมิตรที่ดีแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวอันนี้ก็คิดคิดเบื้องซ้ายมิตรจะหายทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์สมณะพราห ม, มณม์ไปอย่างหลวงพ่อเนี่ยพระครูบายานทั้งหลายเมื่อลูกหลานเข้ามาสู่วัดวาศาสนาสิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์สิ่งไหนที่จะเป็นคุณสิ่งไหนเป็นบุญ อันไหนควรไม่ควรถูกต้องไม่ถูกต้องสมณพราหมณ์ก็จะแนะนําสั่งสอนลูกหลานเอออันนี้อย่าทำะนะลูกหลานอย่าคิดอย่าพูดอย่าทํานะถ้าคิดพูดทําออกไปแล้วไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษอีกต่างหากควรจะทําอย่างนี้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าทิศเบื้องหน้ามันมารดาบิดาพวกลูกหลานทั้งหลายควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องเนอะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสมณพราหมณ์เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวลูกหลาน คิดเบื้องต่ำคือลูกน้องบริวารถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ทุกไม่ให้เกียรติไม่ให้ไม่ดูไม่ไม่ดูไม่แลเข า, เาลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารกา็ไม่ไม่ได้ใส่ใจเจ้านายผลในสุดเจ้านายกับลูกน้องอก็เข้ากันไม่ได้เพราะเราไม่ได้ให้ความเมตตาเขาสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายที่อยู่ใน อ, อยู่ในสถา น, นะไหน ให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องถ้าปฏิบัติตนถูกต้องแล้วความเจริญหรือความผาสุขความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในตัวของท่านเองครอบครัวของท่านเองไปนักสถานที่ใดมีก็จะมีแต่ความร่มเย็นผาสุขเพราะเราปฏิบัติต่อทิศทั้งหกถูกต้องถ้าเราปฏิบัติต่อ 6, ทิศทั้งหทิศใดทิศหนึ่งเองนะียงชีวิตของชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะมีความไม่ผาสุข เกิดขึ้นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราพุทธบริษัท อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายคณะัท า, า, า, าญาทโยมลูกหลานทั้งหลายทุกทุกคนนี่คือพรปีใหม่เรียกว่าสิ่งที่กล่าวย้ำเตือนสําหรับปีใหม่ของพวกเราทําให้ทําตนให้ถูกต้องอและก็พร้อมกันพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาทั้งทีชีวิตอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไป ใช่การเกิดมาเราต้องแสวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติอันนั้นคือหาปัจจัยสี่หาปัจจัยสี่คื อ, ค, อคือหาเงินในเมื่อเราได้เงินก็คือแก้วสารพัดนึกแก้วสารพัดนึกตัวนี้เมื่อได้มาแล้วเราจะนึกคิดทําอะไรแต่ถ้าว่านึกคิดไปในทางที่ชั่วก็ทำทำให้เกิดความชั่วได้เหมือนกันนะเงินตัวนี้นะถ้าทําไปในทางที่ดีก็ดีได้ถ้าทําไปทางที่ชั่วก็ชั่วได้ ทำไมเพราะเงินเป็นแก้วสารพัดนึกถ้าเราไปในธรรมรำที่ดีก็เกิดประโยชน์ชีวิตของเราขอมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้ามีมากออก็เสือเผือแย่วงสาคณาญาติญาติมิตรสหายช่วยเหลือชุมชนสังคมก้อนล้วนแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขถ้าหาว่าเอามาซื้อยาบ้ายาหมาคันชา่ายยาฝิ่นซื้ออาวุธมาฆ่าก็มาฆ่าคนมาฆ่ากันหรือจะเอาเงินไปจ้างฆ่าคนอื่นเขาอย่างนี้น อันล้วนแล้วจะเป็นโทษเหมือนกันไม่ใช่เหรอสารพัดนึกนึกอย่างเดียวดีอย่างเดียวไม่ใช่นะถ้าคิดไปในนึกไปในทางที่ชั่วกิจพ่ายไนดะ้อีกเหมือนกันเพราะฉนั้นเมื่อเราสะแสวงหาทรัพย์มาแล้วเราก็ควรจะใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ อ, อให้ดีอย่าให้มีโทษและก็พร้อมกันการดํารงชีวิตของเราถึงเราจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ดีเถอะเลี้ยงร่างกายอาหาร คําละเป็นหมื่นเป็นแสนอาหารมีโปรตีนวิตามินแร่ธาตุอย่างดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายยาจะดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายผ้านุ่งห่มจะสวยงามดีขนาดไหนก็เถอะเอามาสวมใส่ร่างกายบ้านจะหรูหราโอ้อาขนาดไหนก็เถอะเอให้ร่างกายอยู่อาศัยถ้าอยู่ไปนานๆเข้าไปร่างกายของเราเนี่ยไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้าอย่ากลวงพ่อเนี่ย สร้างศาลาหลังนี้คิดว่าจะสร้างมาให้มันหลวงพ่อแก่ไม่ใช่เลยพอมาใช้เข้าใช้เข้านานๆเข้าเนี่ยเ อ, อผมหลวงพ่อขาวฟันก็หลุดนะเ อ, อตาก็ฟ้า ฟ, า, ฟางหูก็ตึงเอผลในสุดเนี่ยถึงจะอยู่ศ า, า ล, ลาหรูหราโออาขนาดไหนเถอหลังใหญ่ขนาดไหนก็เถอะไม่มีวันที่จะหนุ่มไปข้างหน้ามีแต่วันจะล้มหายตายจากลูกจากหลานไปนี่ก็เหมือนกันพวกเราทุกทุกท่าน เมื่อเราส่อแสวงหาปัจจัยสี่แล้วมิใช่ว่าปัจจัยสี่เหล่านั้นจะพยุงให้เราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช่แต่เพียงพยุง เ, เป็นระยะระยะไปเท่านั้นเองแต่ทึ่ยังไงพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทอาหารกายนคือส่วนหนึ่งอาหารใจนี่ส่วนหนึ่งพวกเราควรจะส่อแสวงหาอาหารใจเข้าสู่จิตใจด้วยไม่ใช่ว่าจะให้แต่อาหารกายอย่างเดียว อาหารใจคืออะไรคือศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมเข้าสู่จิตใจไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวน า, าทำสมาธิาวิปัสสนาให้ศึกษาในจุดนี้อพอวิชาทางโลกก่อนที่เราจะหาเงินได้เราก็ยังศึกษาเรียนหนังสือเท่าไหร่วิทยคลิตอังกฤษโร ง, ง, ง, งเรียนสอ น, น ม, ามาไม่รู้กี่ปีแต่พออาหารเข้าสู่จิตใจแล้ว เเราจะทําแบบง่ายๆมันไม่ได้นะมันก็ต้องคู่เคียงกันเผลอๆจะเหนือกว่าอีกต่างหากเพราะฉะนั้นอาหารเข้าสู่จิตใจพวกเราก็ต้องศึกษาทํำยังไงจะเอาอาหารเข้าสู่จิตใจของเราได้นี่แหละอันนี้ก็ต้องศึกษาพิธีการให้ทานยังไงรักษาศีลอย่างไงภาวนาอย่างไงสมถะ ท, ทำยังไงวิปัสสนาทํำยังไงทํำยังไงจึงจิตใจของเราจะ หลุพ้นจากอาสวะกิเลสตามแนวแถวของอพระพุทธทเจ้าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราได้ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือให้คิดว่าอาหารกายเป็นส่วนหนึ่งอาหารใจนั้นส่วนหนึ่งให้เราให้ตั้งประเด็นไว้สองแล้วเร า, าหาอาหารกายอย่างที่พวกเราหากันแต่อาหารใจในะพวกเรา ห่างเหินปล่อยปะกละเลยจดไม่รู้ว่าอาหารใจนั่นคืออะไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกเราให้ศึกษาว่าอาหารใจนั่นคืออะไระเมื่อพวกเรารู้จักอาหารใจแล้วดําเนินอาหารใจเข้าสู่จิตใจแล้วนะใจของเราจะเอิบอิ่มด้วยอาหาร อ, อาหารใจมีความสุขใจสุขกายแล้วยังไม่แล้วยังสุขใจอีกแต่ถ้าใจของเราหิวโหวยอาหารนะ จิตใจว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้านั่นแปลว่าใจของเราขาดอาหารเพราะฉะนั้นพันทำไมจึงขาดขาดที่ตรงไหนเพราะใจของเรามีตะแบกเนีมีตะรับมีตะรับเข ม, มาแบกพอแบกเข้าไปก็หนักพอหนักเข้าไปก็นั่นแหละหนักใหญ่ไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราศึกษาถ้าพวกเราจะอธิบายหรือหลวงพ่อจะอธิบายในจุดนี้มันไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกัน เพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาจุดนี้ไม่ใช่ของได้ศึกษาได้ง่ายๆเป็นเรื่องละเอียดอ่อนทีเดียวเพราะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ศึกษาเรื่องศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาธิกับปัญญาเนี่ยให้พวกเราศึกษาถ้าพวกเราศึกษาแล้วใจพวกเราจะรู้จักวิธีการนําอาหารเข้าสู่จิตใจ ในเมื่อเราทํานําอาหารเข้าสู่จิตใจใจของเราแล้วใจของเราเต็มอิ่มด้วยธรรมจิตใจก็พ้นจากทุกอย่างพระพุทธเจ้าพระพระหานทสาวกทั้งหลายนั่นแหละเลิศประเสริฐที่จุดในหลักธรรมคาสอนบนนั้นขอให้คณะสัาาตยาธิโยมลูกหลานนะั้นตั้งตนไว้ให้ชอบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่พวกเราควรจะคิดดี ทำดีพูดดีสิ่งไหนที่ดีเ อ, อดีคําว่าดีคํานี้ในหลักของพุทธศาสนาแล้วคือว่าศีลห้านะเออพราะพระพุทธเจ้าช่ว่าศีลห้านะเป็นศีลพื้นฐานสําหรับคณะสัตยา ญ, ญาณโยมลูกหลานถ้าใครทําล่วงละเมิดศีลห้าหรือใครไม่มีศีลห้านั่นแหละแปลว่าไม่ต้องว่าเป็นคนเลวหรอกออแต่ว่าถึงยังไงก็าตามถึงข้าพเจ้าจะไปสมาทานนึเพราะไม่รับศีลห้าก็เถอะ แต่ว่าการกระทำของเราเนี่ยอยู่ในกรอบของศีลคือข้าพเจ้าไม่คิดฆ่าข้าพเจ้าไม่คิดขโมยข้าพเจ้าไม่คิดล่วงละเมิดในสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าไม่โกหกไม่คิดโกหกและข้าพเจ้าไม่ดื่มสุราให้ขาดสติทิศข้านี้แหละถึงจะเราจะไม่สมาทานซึ่งจะไม่ไม่ใช่ศีลก็เถอะแต่ก็เป็นศีลอยู่ในตัวของพวกเราเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ ปฏิบัติตนอย่างนี้ล่ะนี่แหละเลิศประเสริฐพูนะเสียงอะไรเข้ามาแล้ว ล, ลูกหลานเนี่ยพูนะอันนี้ละวันสงกรานหลงพ่อเข้าไปในในตลาดข้าวหนึ่งนี่แหละหลวงพ่อก็ไปนั่งนั่งอยู่ในหน้าบ้านเขาไปกำลังคุยสนทนากับเจ้าของบ้านนะหลวงพ่อก็เห็นนี่ยนะ เขาก็แหมังกรมาเอหน้าบ้านมาเรื่องตึงนั่งมาลังต่างนึงมาเงตึงนั่งอย่างนี่แนหะหลวงพอ่ อ, อเราอยู่ในปาน่าลำคลาลำคานไว้วะเอเจ้าของบ้านมันก็ดีไปอย่างหนึ่งนะท่านท่านอาจารย์มาถ้าหากว่าไม่มีอย่างนี้เดี๋ยวโลกประสาทมันก็จะเกิดขึ้นเหมนเพราะทุกคนก็มานั่งไม่ได้ขายสิ่งขายของแล้วก็นั่งเครียดอยู่เนี่นนะ ถ้าหากว่ามีอะไรผ่านหน้าบ้านมาเรื่งตึงนั่งมาลังตังเนื่องเนี่ยมันก็จะเหง้อคอดูความเครียดก็หายไปช่วงระยะหนึ่งพวกนันห <c oughs> ลวงพ่อเอออันนี้ว่าสรุปแล้วก็คือนี่เสียงอย่างนี้คือเสียงคลายเครียดของพี่น้องประชาชนลูกหลานนะแต่สําหรับพระกรรมาฐานน่ยคลายเครียดของพระกรรมาฐานเนี่ยต้องนั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบไม่ให รับรู้ในสิ่งภายนอกให้ใจเน่งใจเป็นใจนะไม่รบไม่รับรู้เรื่องต่างๆจิตที่เป็นสมาธินั่นเรื่องเครียดทั้งหลายแหล่มันจะมาได้ยังไงเรื่องอะไรมันจะเข้ามาหาได้เพราะเราปล่อยที่ปล่อยวางอยู่ที่ใจนะแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยเสียงอย่างนี้เสียงคลายเครียดนะแต่สําหรับภาคกรรมฐานมันเพิ่มความเครียดเข้าไปอีกถ้าได้ยินเสียงอย่างนี้นะอับพรนะเตณีน้า